แปธรรมกายที่แท้ของพุทธคือการเกิดของธรรมะธรรมะต่างๆที่กำลังเกิดในตัวผู้ปฏิบัติกำลังเป็นกำลังเห็นกำลังแจ้งความเป็นพุทธสัจจะอยู่ตรงๆนี้แหละคือปรมัธิธรรมที่ชื่อว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจะถาคตเป็นธรรมกาย หรือพรหมกายที่เกิดโรคกุตระธรรมแท้จริงซึ่งเป็นอริยธรรมของพุทธตามสัมมาทิฏฐิถ้าแมนเห็นตัวตนของกิเลสอยู่ส่งๆว่ามันยังไม่ลดลงยังไม่จางคลายลงยังไม่ดับไปก็คือมันยังคงเป็นเคหะสิสาเวทนาอยู่ สภาวะธรรมที่เกิดจริงเป็นจริงทางความเกิดของจิตทางยานทัศนวิเศษของผู้ปฏิบัติเห็นสภาวะต่างๆนั้นอยู่ละหลาตีเดียวที่เรียกว่าวิปัสนาญานการเห็นความจริงยิ่งและกำลังธรร ม, มโนมยิทธิการทำริษทางใจริษนี้คือริษในการชำรกาย ไม่ใช่ฤทธิ์นอกรีธค์คำสอนพระพุทธเจ้าเป็นอุตริมนุสธรรมแท้ข้อที่หนึ่งของวิชาแปดเป็นการทำการเกิดของจิตชื่อว่าโอปปาติกะโยนิตามพระอนุสาสนีต่อเมื่อเห็นว่าเราปฏิบัติมีผลการกําจัดกิเลสลดลงจางคลายลงหรือดับไปได้ นั่นคืออาการของผลธรรมที่เราสามารถทำได้ผลจึงชื่อว่าผู้เนคข ม, มะคือบรรลุผลที่เป็นเนคข ม, มะสีตะเวทนานี้คือการเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมที่เป็นโรกุตระธรรมสัมมาทิฐิแท้จริงแล้ว